ัำกันเนาะมีผู้ฟังมีผู้พูดเดีกว่าฟังทำผูพ้พูดก็จะพยายามพูด็นเรื่องที่ถูกที่ผิดให้ฟังผู้ฟังก็ได้ฟังแล้วไปทำตามที่บอกที่สอนเรียกว่าฟังทำแล้วปฏิบัติตามทำ ยาปฏิบัติตามอาธรรมที่ไม่ถูกต้องนีน่คือการฟังธรรมเรื่องที่ผิดที่ถูกเราเกิดอยู่ที่การที่ใจเรานี่แล้วก็เรามีสติให้มีสติอย่าหลงเพื่อดูแลกายใจ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 ต้อไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นก็ไปดีแก้ไขาสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ได้แก้ไขาไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตามตามควมถูกต้องให้มันเทนที่แล้ก็เจงจิญเป็นงานเป็นการขึ้นมาทํางานทางกายทางใจให้มันถูกมันต้องถ้ามีสติจะเห็น สิ่งที่เหมือนเกิดเกินก็จะได้แจ้ไขาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงที้เหมือนจทุกข์เป็นโทษจะไม่มีทุกข์ไม่ีโทษกร ถ, ถึงบทกลางเสีมเก่าคือมณิพนสูงสุดของชีวิตเราคือจิตหมายใบทางคือคมั่งทีนิพานเราไปถึงมัดถึงโลนเพระมีเวียนมีภัย จนตัวเจีเจ็บตายดำเไม่การไม่ใจนี้แล้วเรไม่สั่งไม่สอนไม่ปฏิบัติตามทำมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นจนมีปัญหาสร้างคุกสร้างตาลางไในตำรวจทหารม่กองทัพที่เอาพูดเพื่อป่า ความหุดที่เกิดขึ้นจบคนที่เขาไม่แจ้ให้คนหนุ่ยไปแจ้ไปปอไปเห็นไปฆ่ากันนอกจากเราเดือดร้อนแล้วก็ริงธรรมชาติก็เดือดร้อนหยิบหายไปหมดแล้วโลกร้อนเกิดขึ้นน้ำแข็งละลายจะท่วมโลกเพราะคนที่ไม่ปฏิบัติตามทรม เป็มมนมนบหนึ่งจากตัวเราได่ก่อนดูผลต้องต้นจากตัวเราทุกคนคนไทยหกสิบห้าล้านคนต้องต้นจากทุกคนมีสติดูแลกายใจของตัวเองให้มันคุ้มมันก็คุ้มได้ถ้ามีสตินะอะไรเกิดขึ้นอมาลูกสากตัวซะระหว่างของกายของใจก็มีให้มาก การที่พูดในทงในฉินก่อนมีกายะกรำสมเมืกีม 4, มกำสี่มือหนูกสามแสดงออกทางกายก็มีสมประตูที่เหมันผิดเป็นพลาดถ้าสัตว์ลักทรัพระพืชผิดในกรรมมีสมเท่านี้มันต้องรักษาได้แล้วก็อยู่ที่เรานี้ก่อนที่มันจะฆ่าก่อนที่มันขโมยก่อนที่มันจะพืชผิดในกรรมทั้งหลายยังเคยเหนื่อยดัดโลน มันก็เกิดจากความคิดที่ไม่มีสติตอนนี้เรามีสติเห็นมันอยู่ก็ได้เปลี่ยนมันมันก็ไปไม่ปข้าสติเหมือนรู้สึกตัวจะทำไงไม่ถูกต้องก่อนที่มันจะข้ามใจมันไม่ดีเพรเหมือนคขมหลวงขมหมวแทนแล้วมีสติอยู่แล้วก็ไล่มันออกปไม่ต้อนรับขมหลงไม่ต้อนรับขมโกรดไม่ต้องรับคขมทุก ใจเรามีจิตีอยู่แล้วก็พุ่มได้ถ้าหวานขายสามนี่พุ่มเมหนูกรมสีคือใจที่มันคิดปล่อยคิดได้ทุกอย่างทุกเรื่องมันก็ไม่ได้ใจนี่ ส, สอนคิดอะไรก็ได้ฉันเป็นทิ้สายตามความคิดที่ไม่ กบรมสั่งสนจิตไม่ฝึกจิตตัวเองบาดเป็นคนโทษเจริตโมหะจริตหลอก่าจริตเรืทุกข์เผืนโทษตัวตัวเองเกิดจากความคิดเองทำให้เกิดไข้ได้ป่วยทำให้เป็นบ้าได้อ่นหนังสือพิมพ์มว่วาน่เรน หลงังหยกกระตีหลังตาเน่ผู้หญิงฆ้าลูกสองคนคนเหนืออายุห้ากวบคนเหนืออายุสองขวบเป็นผู้หญิงทั้งคู่แม่เป็นโลกประชดสามีเป็นรับจ้างเก็บลำใหญ่ที่หลมพูนคนเชียงใหม่คนหลมพูนเลือไหลนี่เลย ก็เป็นโรคประาลูกนอนอยู่สังเกตว่าจะเป็นเช่นนั้นเอามีดพ้าโท๊ไปฟวันคอลูกตอยแล้วเอามาสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นส่วนเล็กส่วนน้อยชิ้นเล็กเช่นน้อยยังขวันแรงๆอยู่กับใกล้ๆบ้านแม่ของหญิงคนนั้นแม่ก็มาดูเป็นฝันเนื้อลูกเป็นชิ้นเป็นส่วนของทิ้ง ที่นี่กลางบ้านนั้นมันปานแรงโค้กโค้กวนเพราะว่าแม่ก็ชอบก็วิ่งไปบอกคนมาชับไปเราไม่รู้เรื่องรู้เล่าอะไรเลยโลกประสาทเนี่ยยีดเนี่ยถ้ามาหึกหัดมันอันตรายถ้าคนอื่นได้ไม่แต่ลูกก็ฆ่าได้ หัวข่าเบียก็ได้เบียข่าผัวก็ได้พี่น้องทะเลาะกันแตกเล่าชั่วีแทนที่จะพึ่งพาใช้กันก็เป็นศัตรูกันคนนัดคนนั่นเราเกียดคนนี้เราลักไปจแเ้วคิดมันติล่งมันถ้าไม่สอนมันนี่หรือว่าหนูกรรังสามคิดคิดประทุทสลายเขาคิดปฏิบัติปองลายเขา เห็นผิดจากตํานองข อ, องทองทําชั่วได้ง่ายทําดีไม่ได้เลยเพราะจิต ข, ของคนไม่เป็นระดับแหมแต่เราก็พึ่งเราใจพึ่งเราไม่ได้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต้มรยอรยขุมดีผูฟูแผบแผลยังจะคิดขึ้นมากนอนไม่ได้จืนเข้าวไม่ลงคิดแบบกัดตอดตัวเองความคิดที่ไม่ถูกต้องที่ไม่หัดไปสอนไม่มีสติ เราไม่เฉลี่เห็นเหมือนคิดมันจะมีสงคิดต้องใจคิดคือเรื่องดีอ้องคิดเรื่องทํางานทําการตั้งใจคิดเป็นงานเป็นก่อนอันดืมมันเลยตั้งใจมาคิดขึ้นมาเองไม่อยากคิดมันก็คิดหยุดความคิดไม่เป็นเพราะไม่เคยสอนจะประโยชน์เมื่อเหมือนคิดมันเป็นนิสัยไปแล้วมันก็หยอด นอกจึงมาหัดมีสติคอยดูจิตที่มาคิดดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมตัวกายเคลื่อนไหวดูเห็นใจมันคิดเราว่าจะมีสดีดูกายเคลื่อนไหวอยู่แต่ความคิดนั่เกิดขึ้นไปตามความคิดไปนู่นน้องอยู่วัดป๋อมหาวันปฏิบัติอยู่ชุดคิดไปคุ้นโอเคเปล่านะคะิดไปนน่นที่นน่นที่นี่ <scholars> มันคิดไปอย่างนั้นเพราะมันเคยคิดมันเคยไหลมันเป็นสังขารคิดเรื่องเก่าคิดเล่าคิดอีกหนึ่งคั้งที่มีประโยชน์ก็มางคิดอยู่เช่นนั้นคิดดีไม่เป็นมิได้คิดลายเนาก็บูดเนาบึ้งนี่คือไม่อสอนจิตมันคิดอย่างนี้ก็มีสติซะจะได้ปฏิบัติตรรมธรรม เวานี่เรารู้จักตัวทักท่วงความคิดควาคิดเต็มมันหลงก่อนกลายเป็นความรู้จแล้วเอาความรู้ไปแทนที่สอนจิตแล้วควาคิดทีหนึ่งก็รู้ทันทีหนึ่งวิสัยติความคิดสองครั้งก็รู้มันทั้งสองครั้งหรือว่ารู้เท่ารู้ทันความคิดได้สอนจิตได้สอนกายวิสัยติ ถ้าคายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดจะเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคายเห็นทั้งใจอะไรทีกคำสีพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสสเชียดพูดผู้ชื่อพูดเท็จคือพูดไปกูเป็นความจริงพูดคำหยาบไอ้หาไอ้ผีมึงมึงกูกูด่ากันได้เห็นเมียเป็นหมาเห็นผัวเป็นหมาเห็นเมียเป็นอะไรไปคำหยาบ ผู้โดยไปก็เป็นไวจีทุจริตไม่น่าฟังของผูดเด็ดทำไมเสียงเงินเสียทองก็ได้ติดคุกติดตลางก็ได้อย่างก็อยจบเสื้อแดงหัวหน้าเสื้อแดงติดคุกเพราะคำพูดดูด่าสอนรัฐธรรมนูนทำห้คนเกลียดชังสอนด่า วันนเจกับงเป็นคำพูดที่ผิดแยดตันต ท, นทีประเทนดีไม่เคารพซึ่งกันและกันต่กันได้ไม่เห็นคุณเห็นค่าความดีของเขาวอน้เจ้าเอาเข้าคุกไปแล้วเกป็ดคนเาถึงหน้าเสียแดงทั้งหลาย ยังติดอยู่อีกดึงร้อยสิบคนเพราะอะไรเพราะใจมันนี่แหละมันเดือดร้อนทำไมอะไรต่างๆไม่ได้คิดเมตต า, ากันหนต่อกันเกิดจากความพูดทั้งนั้นบางทีมันใจมันคิดมัว่าโกดแสดงความโกดออกมาเผาบ้านาเผาเมืองก็มีทำรายค่าเฉลีค่าไป คนก็ล้มตายไปคนดีๆถูกฆ่าไปเราไม่ได้ทำอะไรเราก็เดือดร้อนเ้าคนชั่วเกิดขึ้นเราจึงมีสติคุ้มมันทั้งกายกำสามจีคำสี่รรมโนคำสาม 3, นิ่งได้มันชิกขึ้นมากับรูแล้วมันยังไม่ได้พูดเลยรูสิบตัวแล้วอาไรที่มันเกิดกับกายกับใจรูจิกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรูจิกตัวทั้งหมดเนี่ย ก็เลยกายเป็นความดีได้สอนกลายได้สอนใจใจมันก็เชื่องกายของคนใจของคนมันพัฒนาได้จากความเป็นคนให้เป็นพระได้ให้เป็นพุทธะได้จะได้พึ่งพรงาศัยกันได้ฝึกมันมีให้ฝึกกายไม่มัรับใช้ให้เราได้ฝึก็ด้สอนมันสอนเรากงมีประโยชน์จากตัวเองและคนอื่น พอจะเห็นในสิ่งที่มันไม่ดีันดีเกิดขึ้นได้หลักได้ฐานเหนกายเป็นรูปเห็นใจเป็นนามมันมีอยู่ที่นี่ได้หลักได้ฐานแตนที่มันถูกมันพิษรูปมันมีอะไร น, นามมันมีอะไรแค่ไหนเพียงไรมันมีทำไมชาติมีอาการอย่างไรในรูปในนามนี่แตกฉานลงไปปันนี้ อบแฝงลงปกอาการของลูกก็มีมากอาการเกิดกับใจก็มีมากจะได้เห็นความเท็จความจ ร, จริงเกี่ยวข้องกับมันจากถูกต้องเมื่ออมเพนฉุกเมื่อมาเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับลูกเห็นความเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับลูกเป็นความไม่ใช่ตัวตนเกิดกับลูกสติมงังคุปไปเห็น ลัก็รู้แจง้งเห็นจริงตามความเท็จควาจริงความความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธมืนจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มืนจริงถ้ามีสติจะได้เป็นตัวเฉลยได้ก็ให้ความหลงนอนอยู่กับในความคิดไม่ให้ความโกรธนอนอยู่กับความคิดนอนอยู่ข้ามหวานข้าเวเค็มไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ถูกต้อง มีสต so Sh ิได้ประโยชน์ได้เห็นความผิดความถูกที่มันเกิดขึ้นได้แก้ไขได้สอนตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ช่วยกายช่วยใจได้ดูแลกายได้ดูแลจิตใจเราปล่อยกายป่อยใจทิ้งมานานแล้วมาช่วยกายมาช่วยใจเรื่องปฏิบัติธรรมมาให้มัน ถูกมันทุกข์ไงมันโกรธความโกรธมัใช่ใจเป็นอาการไม่เป็นอารมณ์มาจอนมาอาศัยเราไม่รู้หรืว่าเราสารทำตามความโกรธเสียผู้เสียผลเสียเปียกความโกรธเราเราไม่รู้แบบนี้เราไม่รู้เรเเล เ, เวโถูเร า, ารเห็นมันได้แก้ไข ได้สร อ, ไสอจได้ช่วยใครได้ช่วยใจก็ใช้กายใช้ใจได้เนีนเออมาทำความดีได้สำเร็จไอ้นีูรุงผูกฝ่าักษาฝ่าบ้านาตินทองเอาใจเอาใจมาช่วยกันรัาฝ่าการร่าจากกบดได้นับวีนึงของ เขอของภาคแล้วขอบประเทศนั้นจะได้บ้างหรือไ่ว่าระดับประเทศได้ไหมนอ น, นพวกเราขอกความดีที่มันเกิดขึ้นเราเห็นชุมชนบ้านตาดลินทองว่าเออนี่คือคนไทยนี่คือคนไทยคนไทยที่รักชาติที่คนอย่างนี้ ดูแลเราแล้วไม่พอดูแลสิ่งแวดล้อมช่วยกันอย่างนี้นี่คือพื้นฐานคนไทยถ้าคนไทยคิดแบบนี้กันทำอย่างนี้มันก็อยู่กันได้โลกจะไม่โลนเดีย๋ยวนี้คนที่ทำอางนี้มันก็จะมีเหงื่อเจตัวแต่บมืคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นนี่ มันฝึกได้สอนได้กายใจของเราเนี่จนดีวิเศษเป็นพระขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระหรหันชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาได้นะจิตของเราเนี่ถ้าไม่ฝึกมันก็เป็นเปรต เ, เป็นสิโลกาลเป็นสัตวโลกเป็นสัตว์โดยฉานเป็นอะบยภูมที่ไม่จเจริญเียเฉลียวเฉย เราจะมีโอกาสมีหลักคำสอนมีศาชนะศาชนาะมีพิธีกรรมราชนะบุคคลคือพวกเราตอพิกษาแม่ชีวาชุบาชิการาชนะวัดถูกก็คือในวัดก็มีวัดมีสลามีพุทธรูปมีตหรับตาลานังสือมากที่สุดคือที่นี่ือธรรมเป็นตู้ต ผู้หนมที่นี่เจะอาจารย์ไปสอนเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ในด้านปัญญาปัญยอมรอบทั่วโลกวนัวนเลยเมื่อวันเชิญในลุงตาก็ไปอยู่นู่นภูเก็ตนู่นเป็นดูดูดูทีวี TV ที่อยู่ในห้องพักอาจารย์ไปสอนเทศเก้าวๆอยู่่นละทั่วโลกคนเห็นทั่วโลกเรื่องอยู่นี่ ตอนก็คนรู้จักทั่วโลกก็ถือว่าพวกเราก็โชคดีถ้าไม่มีอาจารย์ไปสอนอยู่นี่จะมีใครรู้จักเราที่นี่เดี๋ยวนี้วันตอนดรนทองก็มีคนรู้จักกันเยอะแต่ไปสอนไม่ชี้อวดไม่ชี้หัวนเนี่ยช่วยกันที่นี่เราได้อะไรเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ไเลยเลยมาดูเลยมันเป็นพ่านลงให้เป็นพ่านลงวัดช่วย เชฟชาวบ้านขอมีธ บ, บาตแต่ข้าววันละบาทก็พอที่อยู่ได้กินพอมีชีวิตอยู่มันก็เป็นสาวในะบุคคลมันมีความดีความงามอย่างนี้ประเทศชาติเราแล้วเราไปแย่งเคงชาว บ, บ้านทำให้สงสวน นักบวชในประเทศนี้มันสองสี่แสนรูกในชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีนักบวชอยู่อย่างนี้จะไปเย่งที่ทํากินชาว บ, บ้านเท่าไหร่แล้วผัผ่นน้อมบูรณาบันเท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่เราก็อยู่นี่ไปช่วยเศรษฐกิจเราไม่ได้เผัผ่อนพลังงานเป็นข้าววันละมือ้อเขาอยู่ไดย้ยังไม่ตาย เพราะนั้นเรางมีศาสนะบุคคลสอนชนะพิธีสอนสร้างวัตถุสอนชนะทำคำสอนมาบอกกันอยู่นี่ความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธมันถูกต้องได้ยินโบได้ยินไหมอย่าทําตามความโกรธอย่างนี้สติความทุกข์ไม่ถูกต้องความ่ทุกข์ไม่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนลอยเป็นดีเปลี่ยนน้ยเปลี่ยนได้มาเปลี่ยนอย่างนี้เราว่าปฏิบัติตามธรรม ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ปฏิสนตัวเองได้ช่วยกายช่วยใจเหมือนกับเราจะได้ประโยชน์จากการจักใจเกิดมากเกิดผลขึ้ น, นมาอันนี้เขามาได้พูดแต่เขาที่นี่ไปอยู่พวกเจลสี่ห้าวันถึงกลับมาตั้งแต่วันนู่น พอชื้นถึงผู <cko> <choreography> ้หลงอยู่มาถึงผู้หลงหนูเย็นสบายเย็นจากธรรมชาติภูเขากับเย็นเหมือนทะเลมันเย็นคนละแบบเย็นทะเลมันเย็นเย็นผิวกายเย็นเหนียวเย็นภูเขามนเย็นเย็นถึง .swing ถึงจถึงไม่เหนียวเ่งเกาก็สมเานนูง ชิงเวรโลมผู้คนไปเห็นผู้คนที่นั่นไปเห็นชิงเวรโลมที่นั่นเขาก็สะดวกสบายกว่าพวกเราเดินตามทางก็มีของอยู่ของกินเวลาจะกินปลาแล้วก็ออกกระ ม, มังเทินหัวใสอวนใสดางลงไปก็เดินลงไปนั่นนงเหลือว้าวนไป อังเดอปับกัเป็นเป็นวางวนวางดองเอาดึงมาก็ได้ปาสใสกระล ม, มังข้างโม่อไว้กินได้ปอไม่ได้เลี้ยงทะเลมันเลี้ยงใหพวกเราอยู่นี่จะยังไงแล้วตาก็รักชาวบ้านหนีจากชาวบ้านมาได้อยู่แถวนี้มาสี่สิบปีแล้วอยู่วัดนี่บ้างอยู่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 ยิ่งล้อ ก, กันมากขึ้นเห็นความลําบา ก, กันละมาหาจินเราก็อยู่อย่างนี้แต่แล้วก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นประโยน์ที่มัทุกคนแย่งกันมาหาจินกันวุ่นวายกันใหญ่นะจิตใจไม่เป็นตัวเป็นตนเนิเน่งอยู่นี่นึ่งยิ่มแย้มฉยมเฉยไม่มอยู่นี่แล้วไปวิ่งอะไรมากมายคิดอะไรมากมายพออยู่ได้ก็ จากนี่ก็เลยว่าทำสัมโดดความมีของเราคือความสัมโดดเป็นสถิเห็นความสัมโดดพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่ได้เตือนร้อนอะไรก็ ม, มีความสุขแต่คนที่ร่ำรวยก็มีแต่จะเอาเยาเแล้วก็ทุกข์เป็นเปรตเป็นู่สเกตัวเลยไม่ใช่ประดาใครผู้ใดเป็น่งนั้นก็เป็นทุกข์ของเอง เราอยู่ที่ไหนก็ดีคนที่อื่นที่เขาดีๆเขาก็มีความฉุกมีธรรมะทอยู่ที่โน่นเ ข, า ป, เ ข, า, เข า, าปฏิบัติธรรมใส่เขาดุ้งเขาเมื่ปฏิบัติธรรมกันเหมือนเรานี่เขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมเขาก็ปฏิบัติธรรมทำบุญทําทานปฏิบัติธรรมกันดีเหมือนกับพวกเรานี่เขาก็รู้จักแบงก์่อนโรงแรมคือหนึ่งหกหมื่นห้าหมืน ห้องหนึ่งคืนนึงหหห้องคุต้องตาประยูา่คืนสำหรับคนต่างชาติเรไม่อดหนอดทอเาาลาที่อยู่กันห้องใหญ่ๆเดินจงกรมทั้งวันมีห้องนอนสองห้องคนเดียวมีห้องน้ำมี อ้องอาบน้มีห้องน้มีห้องเยอะแยเลยเรื่องใช้ไม่เคยดูทีวีน้องดูทีวีทั้งวันเลย <c oughs> ไม่เคยมีทีวีดูไปที่นั่นทีอั น, นใหญ่ๆตัวดีตังเลยไหาเปิดทีวีให้เขาบอเปิดให้ทํางไงชไงก็ได้เห็นจึงเห็นจำป ร, ระสารแสดงทำในทีวีโอ้อาจารย์เขาพวกหลอไ คนลูกจากทั่วโลกนะเพราะธรรมะบอกของชดผมจริงต่อคนให้เราพอใจอยู่ที่นี่พวกเราทำหาชีนอย่าเบียดเบียนตรงไดกคนอื่นอันี่หลงตาก็จะไปบวชที่วัดภูขอทองจะไปฉันเช้าที่วัดภูขอทองจะไปเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยเจนท์ทุกคนอ่ะกลับพระฟ้อ